ก็มาทีหลังทั้งทั้งที่รักเธอแต่มาทีหลังและเขาก็รักเธอฉันไม่อาจท้าใจยังไงก็ไม่ไว้ฝืนทนดูรักความจริงไปอย่างนี้ก็น่าจะรู้ว่าเธอไั้มีใคร ฉันก็รู้ดีที่ ใ, ใจมันควรจะลงเลยถึงไรแต่คนรักเธอต้องรอต่อไปเพราะจนกว่าเขาเพื่อรอจนกว่าเขาทิ้งจะไปแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไ ห, น ต, หนต้องยอมให้เขายอมต้องยอมให้เขได้จะไปยี่ต้องรอก็ยิง่ง ยิ่งต้องรอยิ่งต้องทนเห็นผาดบาดใจก็น่าจะรู้ว่าเธอเนีมีใครมาก่อนหน้าฉันกับเธอเฉพาะ จนกว่าเขาทีงสบไยแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนต้องยอมให้เขาก่อนต้องยอมให้เขาได้ทำไมยินงต้องรอยิ่งปวใจ ยิงต้องรอก็ยิงหัวใจยิงต้องรอก็ยิงต้องทนทนเห็นภาพบาจ